2. กตาปติวาระวาระว่าด้วยต้องอาบัตเท่าไรหร่ 1. ปาราชิกกันคําถามคําตอบจํานวนอาบัตในปราชิกกันปาราชิกสิกขาบทที่5 249ถามเพราะยินดีการถูกต้องกลายเป็นปัจจัยต้องอาบัตเท่าไร ตอบเพราะยินดีการถูกต้องกายเป็นปัจจัยต้องอาบัตห้าอย่างคือ 1. ภิกษุณีผู้กำหนดยินดีการถูกต้องบริเวณใต้รากขวัญลงมาเหนือหัวเข่าขึ้นไปของชายผู้กำหนดต้องอาบัตปาราชิก 2. ภิกษุใช้กายจับต้องกาย ต้องอาบัตสังคาทิเศษสามพิกษุใช้กายจับต้องของที่เนื่องด้วยกายต้องอาบัตทุลจัยสีิกษุใช้ของที่เนื่องด้วยกายจับต้องของเนื่องด้วยกายต้องอาบัตทุกกด 5. ภิกษุใช้นิ้วจี้กัน ต้องอาบัตปาจิตตีเพราะยินดีการถูกต้องกลายเป็นปัจจัยต้องอาบัตห้าอย่างเหล่านี้